ผู้ได้เจ้าตั้งกันชอบตรัสเทศนาที่เรื่องโลกได้แก่ขันธโลกขันธโลกคือได้แก่ขันธ์หานิยมรูปร่างกายของตัวตนคนเราเนี่ยเรียกว่าขันธ์หานรูปได้แก่รูปรูปที่เราเห็นเป็นตนเป็นตัวนี่เรียกว่ารูปเทศนาคือความสุขทุกข์เลยคนที่เฉยอนั้นเรียกว่านาซึือไม่มีคนมีตัวมีความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉย ค น, นั้นเรียกเวทนาก็คือมีอยู่ในตัวรูกคนนี้แหละคือรูกคนนี้แหละพระก็อยู่ในรูกคนนี้แหละสัญญาคือความจํานุนนี่สารพัดสีสันวันน่าเดประการต่างๆตอนจำถึ่งจําในอนาอาดีตที่ล่วงมาแล้วนานเรายังระ ล, ลึกได้เช่นการงานที่เราเคยทํามาแล้วตั้งหลายวันหลายปีหลายเดือนที่เราเคยล่วงเลยมาแล้ว เหตุการณ์ต่างๆที่เราเลยร่วมเลยมาแล้วเราก็สบร่วมเลยมาแล้วนะนมนานในเลือดได้จำได้มันเรียกว่าสัญญาก็เป็นนามธรรมเหกันสังขารแค่เพียงคิดนึกหลุดตองประปรุแตกเรียกว่าสังขารสังขารนามสังขารจิตอย่างนอนอลกลางคืนนี่เหรอตรงนี้จะต้องไปทํางานทำการนั่นๆ คนนี้จะไปโน่นไปนี่นึกปรุงแต่งอยากจะทําอาหารการบริโภคเร า, าไปท<ค>านสินนั้นสิง น, นี้แล้วนื้อคิดเราคิดเราบอกมีคนเดียวปรุงแต่งอยู่คนเดียวอันนั้นเรียกว่าสังขารอันนี้ท่านยังแยกเป็นสังขารรูปอีกอันนั้นเรียกว่าสังขาริตอันนี้นสังขารรูปคือตัวขางเราทําไมยังต้องเรียกว่าสังขาร เรียกว่าเส้นทางคือปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นรูปลากฏขึ้นมาติตัวเราเนี้เรียกว่าปัจจัยปรุงแต่งถ้าว่าปัจจัยในที่นี้จะดังกล้องกว่ามากบุญกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งปรุงแต่งมาเป็นผลธาตุสีน้ำไปลงผสมก็เป็นก้อนนะลงมาแต่งมาเป็นก้อนเขาเรียกว่าคนให้เ้าเรียกว่าส้นทาง ถ้าก็จะก็มาเปรียบอย่างง่ายอย่างก้อกนอะินเนี่ยเขามาขยำจะให้มันเหนียวแล้วก็มาปั้นเขามาเขากินงานที่เขามาขยำนั้นเรียกว่าตั้งขาดอ้ อ, อปั้นเขาแบบเขากินเขาเรียกว่าสังขาดเข้าเต้าเผาเขาก็เรียกว่าสังขาดคือปรุงก้อนอะคือปรุง อ, อินให้เอาดินเนอร์มาทําเป็นอินเรียกว่าสังขาด รูปคนเราที่เรียกว่าสังขารก็คือว่ากรรมความดีความชั่วบาปบุญมันยังมีผสมประสานกันอยู่มันปรุงนั้มนมาเป็นคนให้มาเกิดให้เป็นมนุษย์บางทีก็ปรุงให้เป็นสัตว์ในไรสังขานเป็นเปศษอสุจิกายบุญกรรมทั้งหลายเรานั่นทจะเรียกว่าสังขารสังขารก็คือหมายเอาที่เรื่องรูปสังขารตัวของเราเอง กินยานจะกลมรู้สึกรู้สึกแต่ที่นี่นะรู้สึกต่างตาหูจมูกนิ้วตาตาเห็นนะเกิดกลมกมรู้สึกขึ้นมาถ้ามันมีกลมรู้สึกเห็นแล้วก็มีปุจจุอย่างเราเห็นรูปมีมีกลมรู้สึกครั้งแรกก็เห็นแนละ้วก็รู้สึกขึ้นมาตาใหม่เขาเรียกว่าแสงสะพาอนด้วตาไปมองเห็นมันกะท้อนกลับขึ้นมา เขเรวาสในทางธรรมะที่ท่านตรัตเทศนาพ ร, ระองค์ตรัเทศนาว่าเรียกว่าประสาทที่ควิดรู้สึกพูดเราตรงความรู้สึกแต่ในพุทธิศึกษาเดียวกันนั่นแหละสะท้อนั้นก็เกิดความรู้สึกแสงก็ท้นนั้นเกิดความรู้สึกสมาธแต่ตัวประสาทนะนอ้ประสาทอัไนเป็นความรู้สึกอันนี้เรียกว่าวิญญา อันนี้เป็นตัวโลกอันนี้เรียกว่าโลกขันทะโลกอันนี้ขันอีกละท่านนี้ให้เข้าใจถึงเรื่องขันมันมีคํำสมุดระดับทัพเทวะขันนี้ไ ม, ม่เหมือนมายเรียกส่วนรวมขันได้ไปว่ากองไปว่าเหล่าไปว่าหมดละมู่ภาษาที่เราคากันมาเรียกร้อง เป็นขั้นตัดน้ำขันดอกไม้อะไรต่างๆที่เขาเรียกเขาเรียกของขไม้เพราะว่ามันมีสิ่งนั้นใดขันนั่นน่ะมันทําเป็นรูปเป็นกลมๆแล้วรูปเป็นแบงๆแล้วช่างเลยมันรวมของอันใดหนึ่งซึ่งอยู่ในภายในนะั่นแหะเช่นน้ำมันนี่ถ้ า, ถามันมีขันมันก็รวมไม่อยู่มันก็กระจายไปดอกไม้ก็ต้องมีขันคือมีขอไม่เขต ถ้ไปไวนะ ม, มันกระกจายกระจายจี่เรียกว่าขันทิงไ ม, ม, งม้กมงก็กองก็ขุ่มก็ก้อนเขามาขันขันนี่แหละที่เรียกว่าโรคอะไรที่เรียกว่าโลกโลกทันท่โลกที่อธิบายโมนี่ครั้นิธรรมอยู่ในขันได้อย่างไรอยู่ในโลกได้อย่างไรถ้าพูดรวมงวง่ายที่สุดก็เรียกว่าลูกทำนานทำคือทั้งลูกทั้งนามที่อธิบายนี่เนี่ย คือรูปก็เรียกว่ารูปโดยเฉพาะเนีเวทนาจัญญาและขานจัาเก็เรียกว่าธรรมแหมเขเรียกว่าน้ำเนียคือทั้งรูปทั้งน้ำเนี่ยเป็นธรรมนี่พูดเปง่ายๆที่เรียกว่ารูปในที่เรียกว่าธรรมอยู่ในอยู่ในโลกพอมีโลกเข้ามาด้วะทรงไว้แล้วซึ่งธรรมแล้วน่ยเป็นธรรมเพราะมันนี่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาไปอีกที เข้าใจกันไปอีกคือเรามาใช้ปัญญาแต่อุปมาเปรียบตรงนี้กับว่าต้นไม้ในป่ามีประโยชน์ล้วตัดมาเลื่อยมาถากมาเกลือมาปรุง ม, มาแตจกมาเป็นโต๊ะกระยี้คือกลายเป็นของมีราคาขึ้นอย่างอธิบายจางหลวงโตอาใจขนตลาดเป็นใครเป็นของมีค่ามีปัญญา อนนี้อาศัยความฉลาดอย่างพ่อยโลกยป็นทรายเป็นทับโลกคือขันดังอธิบายมาแล้วกาพิจารณาเป็นเรื่องขันเห็นเป็นดินน้ําไปหลบผสมกับเป็นก้อนเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ไปสมเขาผสมกัเขึ้นเป็นก้อนนั้นหนึ่งนะ ดูไปตั้วระายะนี้ก็แตะแบบหลายแบบผู้ไม่เห็นชาตอย่างนี้นั่นแหละได้ชื่อว่าเห็นธรรมพื่อไม่เห็นโลกนั่นแหละโลกนั้นเองเป็นที่รองรับของธรรมเราพิจารณาเห็นโลกชัดตาไมจริงเลยกลายเป็นธรรมก้ ม, มเห็นอันนั้นเห็นโลกเป็นธรรมที่ว่าธรรมฝังอยู่ในโลกที่เห็นคือฝังอยู่อย่างนี้ของฝังมันต้องปกปิด ไปคุดขึ้นมาจากนนั้นของปกปิดเคลื่อนฝังอยู่ไหนแล้วเขาออกมาออกมาเลยจึงเรียกว่าทำว่าฝังเคลื่องปกปิดไว้ปกปิดอะไรคะทำเอาปกปิดในที่นี้เพราะคือในที่หมายความทั้งเรื่องปกปิดปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจตามจริงในจริงนั้ น, น, นจึงเรียกว่าปกปิดมีเพอจะเข้าใจแล้วล่ะที่ว่าท่านนี้อยู่ในโลก คือให้เห็นเป็น่าคันนี้ทำให้อยู่ในโลกให้เห็นเป็นอสุภะตัวแท่งพิงจารณาโดยปัญญาต่างให้เห็นขันนั้นนี่แหละโลกอันนี้แหละให้เป็นอสุภะซึ่อของใน ง, งานคมพ้นเล็กฟันน้ำ เ, อเองินกระดูดั้งเคยอธิบายในฝั่งแนวตัวตนคนเรา ทั้งหมดเป็นของปฏิกูลสกงโลกความจริงอันนี้โลกอันนี้ก็เป็นธรรมอยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นแ ต, แ ต, แต่ไหนแต่ไรสองปฏิกูลสองโลกของคนเราตั้งแต่ปฏิกูลตั้งแต่ปฏิสตุขเกิดได้ที่สกปรกเอาของสกปรกมาเกิดเป็นตนเป็นตัวเกิดม่แล้วก็เกิดตัวอยู่ด้ยวยกับของสกปรก เดวอทั้งคลอดออกมาก็รับทานอาหารที่เราทานลงไปของหิบของ ด, ด, ดีนี้ค่านีุ้ดเขาอก็ตางก็เป็นของสดๆแต่เราจะเห็นได้ชัดทัดอยแล้ว่าของ ด, ดีที่มีค่านั้นนะเราหยิบมาใช้ปากมาเคี้ยวมากินเรืองหัวค่าเเราต้องคัดต้งรักทำความสะอาดกระเว่ามันมัน ส, ส, สดๆเป็ น, นสมถันสมบูรจะเห็นชัดอยู่แล้ว แต่คนเราอ้าส า, คายาคลุมัวเมาพวกกลมหยาบกลมหิวห่วยถ้า ก, ก, ก, ก็ลดแคลนถ้าก็ลดกระเพื่อเป็นของดีของดีก็เห็นกอนนั้นนายตู้มาเลยคพราะกลมหิวพวกกลมอยาบเลยปิดบังควมจริงมันเลยกลายเป็นโรคทางหางไม่เห็นชัดดังอธิบายนะ น, นี่เป็น ค, นควกมสับสนกับกิจกรมสุข นั้นก็เลยกลายเป็นผู้ที่ท่านได้ฌานสมาธิสมบัติเส่งพิจารณาทั้งขานร่างกายเห็นุภาพปฏิปุได้เห็นฌานสมาี่สมาบัตบตรงนี้ไม่ใช่ของน้ำต่ำนึกตืนหน่พิจนาขอไม่ดีพิจนาโลกอันนี้อันนี้เรียกว่าทำฝังอยู่ในโลกเมื่อไม่ใช่อุบาปัญญาพิจารณาแล้วโลกนั้นเอง กลายเป็นธรรมหรือเรียกว่าเว้นเราทำออกมาจากโลกอันนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาอีกแง่หนึ่งทันห้าคือลูกกำนาบัญธิปาในกระดูต้นท่านแยกออกมาเป็นอายะศะหาหกคือเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นจมูกกายเป็นใจ เรื่องตาหัวใจหมวเลิงกายใจเนี่ยทีมันเป็นโลกวงขวงน่ะตายเห็นรูปแล้วก็ลุมก็แต่งก็สวยมดงามน่ารักน่าาชอบชอบใจอยากได้อยากียามีอยากเป็นอะไรต่างไปไหญยุ่งกันไปใหญ่เลขานี่คความอยากนะเป็ความหิวนั่นแะคือตไม่พอไม่อิ่มนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้ยุ่งกัไปใหญ่คือความอยากได้เราเป็นเหตุให้ค้นข่ใช่ไหม ได้ในทางชอบไม่ชอบก็เลยได้หาในทางที่ไม่ชอบได้ในทางชอบก็ดีหรือไม่ได้ไม่ชอบก็ดีเรียวกวาา่าการแสวงหาอยู่ในเดียร์อาหาหาโดยทางที่ชอบไม่ได้ก็ต้องหาโดยทางที่ผิดเมื่อผิดก็ต้องไปเรื่องทาให้เดือดร้อนรุ่มรา น, านทําให้หยุดแล้วเป็นเรื่องเหวทเดียน์ที่หาได้เป็นหากันได้ก็ไปไ ง, ในในง่ายใจเราหนีเฉพาะการที่แย่เป็นผีด ข้าหูเป็นเหตุคือโรคคือหูมันเป็นเหตุให้ได้ยินในฝังเสียงก็อยากจะฟัง เ, งเสียงไนข้าก็นาเกียร์ดำขาคนยกย่อกันฉันรัมนินทราก็ลืมเนื้อลืมตัวอที่เขาเรียกว่าบ้ายอทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาโยทำทั่วทำทุกเจตีเพืพื่อผิดโกานต่างๆทาได้หมดสิเขาเรียกว่าบ้ า, บ, าบ้าเพราะโย ถ้ห า, ห า, เเาเขเกลียดโกรธแล้วไอ้เสหัสเขามพูดในไม่ถู ก, ถกใจโยชน์ อ, อินาทาทสารพัดผู้องการทั้งแม่ว่าเขาจะพูดผูกไม่ชอบใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องโกรงแทนทั้งหมดแล้วทำผิดมีคนแดงว่าโยชน์ อ, อินทาแทนที่เราจะรู้สึกสมนึกในตัวว่ะเราทําผิดมีคนมพระสกิณบอกให้รู้ตัวก็น่าจะเกิดความเดียวดีใจแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นรับเป็น เกิเป็นไฟโตกแค้นะมากจนถึงก็ะเาะปัสหาวะาเพาะเรื่องนี้ทั้งหทั้งเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่มันเป็นเหตุยุ่งเรื่องจมูกเรื่องเล่นเรื่องกายเรื่องใจมีแนวไหนอย่างเดียวตันที่ทั้งหมดเห็นนั้นโลกมันยังกวัาแต่หากผู้มีปัญญามาใช่อุบายภาวนา ตาเห็นตัวัดแต่วัยเห็นจะเป็นหลวงมอหสถออกมาเห็นรูปที่สดใมงดงามจะเป็นรูปวัตถุจริงของรูปคู่คนตั้ตาแล้วจริงก็ตาดูรูปเห็นของเกิดดับรูปเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเกิดดับรูปเกิดขึ้นมาก็ต้งมาทนทุกข์ทรมารรูปเกิดขึ้นมาต้องของเกิดในกองทุกข์และเกิดมาทนทุกข์ทรามารเมื่อเห็นชัดอย่างนี้มันเลย ตายเห็นโลกและกลายเป็นธรรมเกิดธรรมะสังเวชสำรั บ, บใจเป็นเหตุให้เบื่อหนายตายความพอใจยินดีกับลูกที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกับชนะนั้นนแต่ไม่ได้หลงบ้าห ย, ยอและไม่ได้หลงบ้าโทษสามา เห็นว่ า, ร, า, า, า ร, ร, รู้เฮ้ยเห็นว่าเสียงกระทบเข้ามาแล้วมันก็หายไปกระทบมาแล้วก็หายไปประจานเป็นแค่ระดับเรื่องหลักรูปไห้รู้จักว่าเสียงแต่มันมรู้แล้วมันก็ไม่ได้เห็นทำอะไรมาให้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยรู้แล้วมันก็หายกลายไปเฉยเหม้อ น, นก็ะโลมนี่นะมันพัดได้ไหมพัดแล้วมันก็กลายไปกลายไปหายไปหายไปหมดไปหมดไป อันคนผู้เห็นลมกลัวลมแล้วจะมาปล่อยมาแข้งลมมัสตารแข้งลบคนที่มากลัวลมกับกลัวตทุกสิ่งทุกอย่างเขลมมาแต่ตัวลมเองก็ไม่รู้สึกอะไรเลยใครจะว่าไม่องไรก็ไปตามเรื่องของมันเสียงที่มันผ่านเข้ามาที่มันก็นพบมัสตารแล้วเกิดความรู้สึกตะเพียงแข้ น, น ผู พ, พิจารณาเห็นอย่างนี้โลกเกิดกายเปิดธรีมเป็นอย่างนี้อันนี้ว่าโดยพิจารณาโลกโดยวิธีที่ให้เป็นให้เป็นอยายาตนาอันนี้ธาตุตะเดีขันก์ตเดีอายาตนาตะเดีเรื่อนแล้วจะเป็นธรรม แต่ทำไมไม่ยิงต้องเป็นอย่างนั้นคนน้อยทำไมยิงเอาโลกอาเป็นธรรมเพราะคนไม่เข้าใจโลกกับธรรมเลยมันก็สมุนกันหมดบางทีโลกออกมาเป็นธรรมบงทีธรรมอ า, าเป็นโลกดังว่าแท่งที่เราจะเห็นโลกเป็นโลกแล้วเอาโลกอาเป็น เอาโลกมาเป็นธรรมแทนที่เราจะเห็นธรรมเป็นธรรมแล้วเอาธรรมมาเป็นโลกเห็นธรรมมาเป็นโลกถึงหมายถ้อไปเห็นตนตัวดังอธิบายมาแล้วทั้งทั้งเรียนเป็นธรรมอยู่แล้วแต่เรามาถือเป็นคนตนของตนในกลายเป็นโลกจะเป็นเรื่องเด็ดร้อนวนวายน ทำไม่ใช่เดี่ยวอนาโน่นแหละทำไม่ของเป็นสภาวัาทน์เกิดดับอยู่งั้นอันนั้นเรียกว่าเอาโลกมาอันนั้นเรียกว่าทํามาเป็นโลกทํามาเป็นโลกใช่แต่นี่เอาโลกมาเป็นธรรมเนี่ยสบายมันเป็นโลกอยู่แล้วเป็นโลกกับโลกอยู่แล้วเพื่อเป็นลูกหนานอยู่แล้วเรียกขันธโลกอยู่แล้วแล้วมาพิจารณาเป็นธรรมดังอธิบาย นั่นก็ปล่อยวางความยึดถือระทานไม่มีไม่น่นาสบายอย่าเอามาปนกันสิม่ยุ่งกันจะไม่สะอาดกได้เป็นโลกอะไรกันทำที่จะยุ่งน้อยแบบนี้ก็เพราะอะไรก็พื้นฐานของจงิตใจของเรามันยุ่งคั้นถ้าเพื่นฐานของเราไม่ยุ่งแล้วนี่ เราตั้งมัน่นรู้จักโลกเ็นโลก ท, ท, ทาเป็นธรรคือเราไม่เอาเรื่องอะ้รมายุดเราตั้งใจให้มันมั่นไปก่อนทามมาําจิต้ ม, ม, มันจะสงบไปก่อนพอจิตสงบแล้วหอมันจ้เห็นชาติเลยเพราะใจของมันเป็นชัติเป็นส่วนเลยทีเดียวถ้าจะให้เห็นัง่ายๆอย่างสองคนทเลาะกันอยู่ ไม่ทราบว่าใครแป็นใคร เ, เสียงกันบ่งบบ่งแบนไม่าไม่ฟังใครกันหมนดการคนดังเสียงกันไม่อราบใครถูกใครผิดั น, นั้นแหละโลกผสมกันยียกว่าโลกผสมกันปนกันหมดคำถามคนกันหมดเลยไมไ่ยากที่จะถุดถ้าคนนอกจากคนสองคนนั้นเขาไม่ทะเลาะ ก, กัน่ะ เขมีเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยจะ เ, เขาไปฟังเขาไปดูเขาไปเห็นเขาทะเลาะกันแล้วไปฟังเขาล้วจะรู้ชัดเสียแล้ ว, ว, ว, าาวคนนั้นผิดคนนี้ถูกถชัดเห็นได้ชัดเจนนเสียแลั้นใดใจของเราต่าหานวานไปกลางเข้าถึงทวกงสงบงบลมไม่มีสมาธิอยู่แล้วจะแยกโลกกับธรรมออกกันได้อย่างเด็ดขาด รู้ชัดจะมาได้พันทีจะมีประโยชน์อย่างไรคะนี่บานทีประโยชน์อย่างว่านเนี่ยคนสองคนทะเลาะกันมันมีความสุขอะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์กับเน็ดเนหนื่อยขายขี้หนาซะซะถ้าไปรู้เรื่องความผิดตรงถูกแล้วก็เหมือนคนที่ไปหวังเขาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ และไปฟังเขาพูดรู้จักคนนั้นผิดคนนี้ถูคนนี้ได้ปัญญาความรู้ขึ้นสบายสบายได้ความฉลาดความรู้เป็นจักเขาทะเลาะกันมันมีประโยชน์อย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาเห็นโลกเป็นโลกเพิจารณาธรรมเป็นธรรมหรือเราพิจารณาโลกให้เห็นเป็นธรรมแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้ เนั้นก็จะเจเป็นสอนนักสอนหนาสอนให้เราหลักโลกมาเป็นธรรมแยกโลกออกจากธรรมเนียธรรมกจาโลกเพื่อหวังประโยชน์ผลสุขเกศพวกเราพุทธศาสนิกชนคือพวกเราปัหาตันนี้แหละเพราะฉะนั้นจงให้พานเข้าใจเสียวว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันที่ไม่เห็นว่าโลกกับธรรมนั้น เป็นคนละอันกันนั้นกับเทปัญญาของเราไม่ยังพอปัญญาไม่ยังพอคือปัญญาไม่เกิดกับเะเหตุที่สมาธิคือค น, นอามสงบไม่มีฐานที่จะเกิดธรรมไม่มีเพราะนั้นเรื่องต้นก่อนที่จะให้รู้จักว่าธรรมสังเวีนโลกจงพากันตบลม จ, จิตใจธรรมสมาธิมีแล้วแน่มั่นคงแล้วพิจารณาที่หล่ง ถึงจะเข้าใจตามจริง